Book 2ูแปดสิบหกเทถามอดีตการสองเพื่อารสอ คุณผูกน넥ไทเส้นไหนาค ร, ราเตวูวาวาเตูคุณซื้อรถคันไหนแล้วิลันมาคนคบเลริลันมาคนเบเลรคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนนิลันกาเซเย อ, ยอปโปนนิลัน กาเซเตเยอโบนูอคุณได้เห็นใครคือเคนิพาร์คือเคนิารคุณได้พบใครคือเคนิ n ากูอาร์คือเคนิตากูอาคุณได้เจอใครที่รู้จักคือเคนิโยฮุร k Kenny, oh คุณตื่นนอนกี่โมงคุณยคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไรคุณหร์คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไรคุณแค่นพูชัว เคนีชัวทำไมคุณถึงตื่นนอนีนัวซเยนี่ัวทำไมคุณถึงเป็นครูซูบัมสอบตมสทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Pse m ม r สด์นี้แท็กซี่พึ่งมอสด์นี้แท็ก n ี่คุณมาจากที่ไหนงั้นก็แค่นี u อาร์ดูงั้นก็แ n ่นี้อาร์ดูคุณไปไหนมาคู่คคุณไปอยู่ที่ไหนมา คุณไปช่วยใครมาคคุณเขียนถึงใครคุยติเกครคุยตอิเครคุณตอบใคร ยังปกต i t ยู่